เหมือนกับเรามาตั้งศูนย์ของชีวิตเราใหม่การปฏิวัติธรมเหมือนก็จะเป็นเช่นนั้นนะมันก็เราใช้ชีวิตมาใช้กายใช้วาจาใช้ชใจิตใจในว่าจิตใจมันเสียศูนย์ สิ่งที่ทำให้เสียศูนย์ก็คือรอยได้กับลอยเสียรอยสุขรอยทุกข์เราก็ใช้มาในการดำเนินชีวิตกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองกับความเป็นอยู่ฤดูกาลผ่านร้อนผ่านหนาว ศูนย์ก็เหมือนกับปกติปกติกายปกติใจปกติมันปรับกลืนสู่ธรรมชาติธรรมดาแล้เราก็ใช้ต่อแต่มาทีเราติดกับของอารมณ์สุขๆุทุกๆมันเป็นไปตามเทคโนโลยีด้วยเรียกว่าที่สุด นําสมัยมันมีนวัตกรรมมีอุตสาหกรรมจีโนมิกส์นาโนเทคเราต้องหาเงินหาทองเพื่อจะได้ใช้เทคโนโลยีที่สุดหรูที่สุดของเทคโนโลยีอันนี้แหละถ้าไปเกิดการแข่งขันกงินลมือใครยาวสาวได้สาวเอา การเอาลัดเอาเปรียบเกิดการคอร์รัปชัน <Yeah. S 1> คนมีปัญญามากเอาเปรียบคนมีปัญญาน้อย <Yeah. S 1> พี่น้องก้าวากันได้พอมรดกพอผลประโยชน์ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้มันเสียส่วนกันเยอะลูกทะเลาะกับแม่พ <Yeah. S 1> อทะเลาะกับลูกสามีภรรยาทะเลาะกัน ผู้ผกบัญชาใต้ผังบัญชาหรือทําทำงานระดับเดียวกันอีกคนหนึ่งตรงฉินอีกคนกลางฉินนมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เสียสูวนได้ทั้งวันเสียอามคุมดีคุมร้ายนจนงงตัวเองสับส น, น, นเราจึงนี่มาฝึกหัดหรือว่ามาพัฒนาจิต จเจริญสติกันให้สติมันจเจริญจริงๆริงคำว่าศูนย์ก็คือปกตินั่นแหละใหเรรรรรรเ้เป็นปกติธรรมชาติธรรมดาธรรมดาไม่ใช่กลัวจนเป็นโปติลักจังเป็นปกติโลภหลงเป็นปกติอนันลำเลวยผิดปกติ ปกติมันก็คือเรื่องหนาของรู้จักปล่อยรู้จักวางวางก็ว่างยิดก็เอาหนักทั้งคู่มันหนักหมายถึงจะยึดอะไรก็ตามมันนะไม่กะทั่งยึดเอาพุทตรูปเอาคำพีพระไตวปิดกเลื่ อ, อไว้ ส่งลูกชาวบ้านอันนี้ก็หนักเหมือนกันละ <L un> บาลานดันเลยพูดาวะาไหวพระพุทธเจดีย์โดนทองคำไหวพระธรรมใหญ่โดนใบลานไหวพระสงฆ์หญ่โดนลูกชาวบ้านอันนั้นมันไม่ใช่สัจธรรมมันเป็นเรื่องของสมบิบรรัญญัติการก่อเวียนก่อกรรมทำให้ หลงติดหลงทางได้เหมือนกัน mm hmm. เราก็จึงเลือกเป็น mm hmm. ประพุทธในตัวเราพระธรรมในตัวเราแล้วประสงค์ในตัวเราให้เป็นคุณธรรมของใครของเรา mm hmm. รักษาตัวกันเอเองอย่างเงี mm ้ย hmm. มันมีสมมติบัญญัติต่างๆ mm hmm. ที่ทำให้เราหลงได้ จะารู้จักใจดีหมดนะภิกษุนี่แปลว่าผู้ขอนะขอบินตา บ, บาทโดยที่ไม่พูดนะอาหารวัตถุปัจจัยสี่มาได้พูสักคำเขาเรียกโปรดสัตว์นะเดินบินตาบาทไปโนะปรดสัตว์ ้ ห, หลองเห็นลอยความเย็นความสงบความสง่มความสง่างาที่มีอยู่ที่ตัวประสงค์แต่ละรูปแต่ละรูปการขอแบบนั้นบิดะบาตแบบนั้นมันก็ไม่ยิ่งใหญ่ถ้าขอโทษขออะไรไม่ใหญ่แล้วขอโทษ ขอโทษขอโทษขอโทษให้อะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่าให้อาภายัยอาภายัยแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปมันก็เป็นตัวปัญญารู้จักปล่อยรู้จักวางแต่ปัญญาแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีสติหรืวอว่าสติปพฐาน การใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจมันก็จะเป็นปัญญาไปเกิดการปรับมาที่ศูนย์ได้ตลอดเวลาเวลาใช้แล้วก็ปรับมาที่ศูนย์ได้ตลอดเวลาพอมันไม่ได้ใช้ด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันจะเป็นความบริสุทธิ์ขนาดตาด่อขณะ มันก็ลดใช้เสร็จจอดดูแลอย่างดีน้ํากลั่นเต็มไหมน้ำมันเครื่องเป็นยังไงเอาออกมาดูมันสูงมันต่มอย่างไรพอดีอย่างไรมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่ลมล้อยางเป็นยังไงข้างหน้าท่ายข้างหลังถลายเวลาไม่ทุกันถลายเวลาต้องทุกคนบรรจุ สิ่งของลงไปนะมันต้องเพิ่มลมเท่าไหร่มันจะมีมาตรฐานเด็ดขาดผู้รู้ก็รู้อยู่ก็บอกอยู่มันพระบุรุษต่างๆคนเคยใช้มีเราเลยไม่ได้เสียเวลาเลยเลยเพียงแค่เปิดรับสักนิดหนึ่งรับฟังน้อมรับนโม ต, ตัตจาพระวัตตุลาตสัมมาสัมพุตตาน้อมรับเข้ามาทำใจองเราให้เป็นปญนาทองว่าง ก็คือภาวะผู้ดูนั่นเองภาวะผู้ดูดูแลเห็นเห็นไม่เข้าไปเป็นก็เป็นตัวปัญญาทั้งหมดนั่นแหละเลือกได้ดูคนก็เห็นคนดูสัดก็เห็นจัดดูต้นไม้ก็เห็นต้นไม้มันเป็นสิ่งเดียวกันเขาเหมือนเราเราเหมือนเขามันก็เลยสามารถพึ่งจิตใจของเราเองได้ ตาเฮยตโนนาโถต้นนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสามารถพึ่งตนเองได้จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนมันก็สุ ข, ขสโขสมสอันล่ะกันเนี้ยเป็นสุขเกษมสารไม่ใช่สุขเผลาสุขจีสุขที่ต้องอิงอามิตรนะว่าทูลหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามแต่นี้มันไม่ใช่ ตรงนี้มนอยไม่เกิดการสันโดษนะไม่ต้องลงลังเหมือนกับผู้ที่มีสติมีศีลนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่แบบเป็นเจ้าของจะใช้อะไรก็ใช้แบบเป็นเจ้าของแต่มันไม่ใช่ของเราอ่ะนะจะนั่งเดินยือนนอนที่ไหนก็ไม่แปลกแยกมีแต่ญาติอย่างเงี้ยเจอคนทุกคนเอะมีแต่ญาติมีแตพ่พี่มีาต่น้อง มันไม่ใช่เขาเขาเราเราแกเป็นใครไม่รู้จักค่าหรือหรือว่าเขาใหญ่เราเล็กเขาสูงเราต่ำเราเสมอเขาก็เสมอเราก็จะกลายเป็นมานะเป็นทิฏฐิต่างๆมากมายเป็นความเห็นเป็นความคิดที่แตกต่าง จริงๆไม่ได้แตกต่างอะไรเล ย, เลยความคิดก็คือสมมุติเราก็อยู่เขาได้เขาอยากได้อย่างนั้นก็ให้เขาไปเขาอยากไม่เข้าใจเราก็ให้เขาไปเขาอยากนินทาเราก็ให้เขาไปคืนเขาก็าอยากสันเซอร์เราก็ให้เขาไปปกตเขาก็ ด, เกดีเขาก็ไม่ดีนั่นคือคน บางทีมีการดูถูกเหยียดหยามนะส่อเสียดนี่แหละโลกมนษุษย์ละของจริงนะเราก็ได้เห็นแล้วโอ้นี่โลกมนุษย์นะเนี่ยนะเดี๋ยวต่างคนก็ต่างไปหรอกนะเวลามาก็ไม่ได้มาด้วยกันสักหน่อยนะถึงเวลาตายต่างคนก็ต่างไปนะจึงไม่จาเป็นจะต้องมาพูดนะ อะไรก็ตามให้ร้ายเป็นเรื่องที่ท้ายสุดทางสังคมก็เอามาใช้ในวิธีศขเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้มีความรับผิดชอบก็บกลัวเป็นคนดีจะพูดไปทำไมคนตายไปรู้เรื่องแล้วถ้าจะพูดก็พูดตอนนี้เลย เห็นโลกตามความเป็นจริงเกียเ่ยวข้องถูกต้องเกี่ยวข้องถูกต้องคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทรรมโยชน์ตนทรรมโยชน์ท่านอันนี้เราคือศูนยนะ์คือปกติทั้งนั้นแหละแล้วสังเกตที่ตัวเราจิตใจของเราการปรุงการแต่งในตัวเรา แม้กระทั่งตัวสติเนี่ยคือการปรุงแต่งอีกตัวนะึงนะตัวสตินะแต่ปรุงแต่งลดจื ด, จดปฏิบัติธรรมเราจมีความจืดจืดละคือศูนย์ลดจื ด, จดมันน้ําจืดจืดไรรดชาติแต่ขาดไม่ได้จะกินขมก็ต้องมาจืดจะกินหวานก็ต้องมาจืดจะสุก ข, ขนาดไหนก็ต้องกลับมาปกติจะทุกข์ขนาดไหนก็กลับมาปกติปกติกคือศูนย์ ชีวเราก็มีการตรวจสอบนะการเกินการไหวอะไรคือการตรวจสอบนะเ่ินไหวละใจเป็นยังไงนะเวลามันคิดอะไรคือการตรวจสอบคิดเราเป็นยังไงนะเหมือนเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์กันนะั่นแหละธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะมันมีอะไรเป็นตัวเป็นตนได้ไม่มีแต่ว่า การตรวจสอบตัวเองก็ต้องมีเครื่องมือมีกายลงเคลื่อนกายดูเคลื่อนไหวแบบเป็นปกติบางคนเคลื่อนแล้วเกลง็งบางคนเคลื่อนแล้วหน้าตึงไม่ต้องใครหรอกก็ตัวเองนี่แหละผู้พูดนีดดด่แหละมันเกลง็งมันตึงใจมันตึงใจมันตึง ตึงในที่นี้หมายถึงว่า ต, อ, ตอเต่ารอเรือสะละอึงองูตึงหน้ามันก็ตึงภายในภายนอกมันโยกหากันใจมันกลายหน้ามันก็กลายมันก็เช็คได้เป็นรูปธรรมนี่เองการเคลื่อนมือจึงเป็นรูปธรรม เราเป็นลักษณะของสมมุติเวลาเราสมมุติเราตรวจสอบอะเราเคลื่อนมือดูถ้าเคลื่อนได้แล้วก็ทำได้เรื่อยๆโอปกติดีเนี่ยก็สังเกตดูแต่ถ้าไม่ปกติล่าอะไรเกิดขึ้นอะสักพักก็ปวดหลังปวดเอวอ่ทีมกันก็คือเวลาปวดหลังปวดเอวใจมันปกติไม่ได้ยังไงมันน่าจะได้ าเรามาฝึกมาหาัดมาพัฒนาจิตส่วนกายพัฒนาไม่ได้หรอกมันมีแต่แก่แต่เจ็บแต่ตายไปไหลไปนะสู่ความเสื่อมแต่ว่ากายแก่ใจไม่แก่ใจปกติก็มีกายป่วยใจปกติก็มีหรือกายเจ็บเวลาปฏิบตัตนะิใจปกติก็เมีเราก็สังเกตตรงนี้แหละมันคือการเรียนรู้การศึกษา วิชาพุทธศาสตร์พระเจ้าค้นพบแล้วก็บอกต่อหลวงปเตียนก็ทำมาจนกระทั่งพูดปลาปาปาส่วนนึงก็เชื่อส่วนนึงก็ไม่เอาไม่เชื่อก็เลยอะไรตัวใครตัวเราแล้วทํากรรมฐานก็มีธรรมชาติเองทํากรรมดีกรรมชั่วก็เกิดกุศลกรรมอกุศลกรรมบุญบาปเองเมืนรอยเท้าโค เดินไปลอยเกวียนก็ตามไม่ตัดกรรมเวลาเรารู้สึกตัวก็ตัดกรรมให้เราอยู่ตลอดเวลานะปิดประตูไบายาปูให้เราตลอดเวลาไม่ไหลลงความเสื่อมะ น, น, นั้นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนะี่ยทำให้จิตเราปกติจิตเราปกติจิตเราปกตนะิเราสังเกตมันเป็นคุณนานๆทีเดียว การชีวิตของเราถ้าพบเราก็เหมือนชีวิตใหม่เลยเป็นชีวิตที่ไม่ไหลไปสูนะ่ความทุกข์เกินจอว่าทุกข์แล้วบรรลุเด็ดขาดเลยเลยที่ว่าเคยทุกข์เคยทุกข์เคยทุกขนะ์นะจริงๆแล้วก็คือธรรมชาติตรงนั้นเลยมีกายทุกข์เพราะกายแล้วก็มีปัญญาเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องนะจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะทําอะไรก็ตาม ต่บางทีเราก็มาศึกษาเย้ยมันเล่นหลายอย่างเช่นวิธีของปลาเนี่ยบางทีก็เยยความตายวิธีของปลาบางทีก็เยยความลําบากนะวิถของปลาบางทีก็เย้ยนะภัยต่างๆเที่เกิดขึ้นมารอบตัวไม่กลัวมันก็รู้อยู่กระโดนทุกคน มันไม่ใช่เป็นเรื่องของตื่นตนกตกใจ เ, เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาลุกลรี้ลุกหลนมันเปลี่ยนกลายเป็นตื่นรูน้มันตั้งศูนย์ตันเดีปกติคนจะตายควายจะออกลูกพระจะศึกโลกจะแตกมันก็เป็นตัวปกตินั่นแหละส่วนตัวก็มองๆดูนะว่า โลกเราเนี่ย้าศึกษาเองทางธรณีวิทยาประวัติศาสตร์โลกต่างๆเราจะเห็นว่าเออมันก็มีเรื่องเหตุการณ์ซ้ําๆเกิดขึ้นมาในรอบเมื่อครบรอบปีของเขาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นนักสัตว์รอบปีของนักสัตว์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เเดี๋ยวก็แล้งเดี๋ยวก็ฝนตก ประเดี๋ยวกับภูเขาไฟระเบิดหรือสนามิที่นั่นที่นี่นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเยกในโรวสาวโล่งแตกนั่นแหละเราถึงจะไม่ได้เห็นนะว่า ม, มันก็มีความน่าเชื่อแบบนั้นหลโมโุมกุกาบาต่างๆใหญ่ๆตกลงมากระแทกกระท่นจนเกิดไปวิบัติต่างๆ อันนั้นยังไม่น่ากลัวถ้ากราเวลาหิวข้าวหรอกเรื่อนั่งแล้วเจ็บแล้วปวดแล้วเมื่อยอไอ้นี่ถ้าไม่รู้นี่น่ากลัวกว่ามันอยู่กับตัวเราเลยโดยเพราะความคิดในตัวเนี้ภายายในตัวจริงๆคิดแล้วคิดอีกหลงแล้วหลงอีกแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมมันคิดแล้วคิดอีก็รู้แล้วรู้อีก เพระระบบของสติปัตตา น, นี่เมื่อเราสร้างความรู้สึกตัวไปสร้างความรู้สึกตัวไปมันกลายเป็นว่าหยิบความคิดมาใช้นั่นแหละทนะำงานทําการก็คบคิดไปนะมันจะเป็นตัวปัญญานะมันจะไม่ได้สร้างปัญหานะคิดแล้วก็แล้วไปปวดแล้วก็แล้วไปทําแล้วก็แล้วไปผู้มีสติมันก็จะเป็นหนึ่งนั้นแหละ มันไม่เดามาเสียอกเสียใจทุกในภายหลังมันก็พร้อมประเชิญชะตากรรมอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ทุกข์หรอกลงนรกมันก็ไม่ใช่อยู่นรกกครนี้จะมีผู้รู้พูดไว้วเย็นได้ในเตาหลอมเหล็กเตาหลอมเหล็กมันร้อนขนาดไหนทุกมันจะทุกข์สักขนาดไห น, นก็มีนิพพานอยู่ที่นั่นมีทุกข์ยังมีนิพพาน มีหลงก็จึมีรู้ขึ้นมามีปัญญาขึ้นมามีปัญหาก็มีปัญญามันไม่มีบา ร, รมีก็ไม่เกิดอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องเดียวเปิดโลกทัศน์เลยละวิปัญญายามันก็จะแตกฉานทะลุทะลวงไปเห็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่ยิบของกิเลสทั้งปวงหลัวธรรมทั้งปวงก็ว่าได้ มันเคยเป็นการเดินทางที่ทาให้เรารู้สึกว่าเออเป็นกำไรชีวิตจริงๆชีวิตตั้งศูนย์ชีวิตตั้งศูตตงนย์เหลือแต่ศูนย์เป็นบทเรียนที่ไม่ต้องเสียค่าเทอมการดูกายดูใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนเรียนกับใครมั น, นั้งนั้นส่วนตัวส่วนตัวปัจจตังไม่จำกัดการอาการลิโก กลับมาหาตัวเองเห็นตัวเองก็จะเห็นธรรมธรรมชาติก็จะอยู่กับธรรมชาติอย่างผาสุกมันไม่ใช่ความทุกข์ไม่โอยไม่อ่อนแอไม่เปล่าบางจะสังเกตตอนไหนว่าไม่โอยไม่อ่อนแอไม่เปล่าบางก็ตอนปฏิบัติลงกรรมฐานนั่นแหละเคลื่อนไหวได้ทั้งวันไหมเรื่อยๆไม่ใช่บอกว่าได้ทั้งวันโดยที่ไม่หลงไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ เพลื่อนได้ทั้งวันแล้วก็รู้เท่าที่มันรู้ได้กระทบสัมผัสรู้สึกมันรู้เท่าที่มันรู้ได้างทีเพลือไปทางตาเผือไปทางหูเพือไปทางจ ม, มกูกเพือไปทางลิ้นเพอไปทางกายเพอไปทางจิตใจแล้วรูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพธรรมลนมะอัยยาาสิบสองมันจะเป็นของดีและกันเนี่ยเพราะเราเฝ้าดมนอยู่ เราดูมันอยู่ก็จะต้องเห็นของจริงเห็นอาการต่างๆทีเททเนะ่เกิดขึ้นมาที่กายที่ใจของเราเกิดขึ้นมาที่กายที่ใจของเราเห็นเป็นอาการข้อยินทรีย์จะแก่กล้าเนี่ยต้องใช้นะความเพลี่ยนผสมผสานอะินทรีย์หมายถึงว่าความเชื่อความศรัทธาก็เคือว่าของเรานี่มีศรัทธากันมาระดับหนึ่งแล้ว มาบวชบางทีเราก็คิดเองไม่มีใครบังคับไม่มีใครขูเข็นไม่มีใครตั้งเงื่อนไขอะไรให้เราต้องมาด้วยแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักใดๆแต่เราหลายค น, นมีปัญญาใกล้ควรเห็นแล้วชีวิตของเรามันต้องเสริมเติมเต็มนะจุดอ่อนของเรามันมีอยู่การใช้ชีวิตในทางโลกอารมณ์ที่มันดุนแรงปลุกเร้าเยอนะ เราก็เผลอไปติดกับดักอยู่บ่อยๆ <Yeah. S 1> ท้ายสุดก็ บ, บอกเออมันเกิดอะไรขึ้นทับสน <Yeah. S 1> สงสัยลังเลนในชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไปแล้วหยุดเสร็จ <Yeah. S 1> แล้วก็มาด้วยสัตตา <Yeah. S 1> มีปัญญาเห็นว่าเราต้องปรับปรงเปลี่ยนแปลงกายใจของเรา <Yeah. S 1> อยู่กับมันยังไงให้ ทุกง่ายสุกยากเสร็จแล้วเราก็รู้แล้วมันมีรูปแบบการปฏิบัติเราก็ขยันลงไปฝึกหัดการจริตสติปัฏฐานโดยเฉพาแนวเคลื่อนแนวไหวนะก็เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่มีอยู่ในโลกเนะี้มามาแล้วเราแมลัลมลงเลอะวิสัยบัณฑิตไม่ได้ดวนรับไม่ได้เดินปิเศษอะไรก็นะไปถ้าฝึกไปมันจะจริงเรื่อนะถ้าเป็นสัจจะมันต้องจริงนะแต่ธรรมะจะสัจจะ มันก็ไม่จริงหรอกตางที่มันเป็นสัจจะแต่เรายากทำไม่เป็นมันก็ยังไม่มีที่เราคำว่ามีเรืนี้คือมีภาวะผู้ดูนะแต่ธรรมชาติธรรมะต่างๆกุศลทุกข์สนั่นเต็มพุงเลยเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มกายเต็มใจมีอยู่แล้วตัวคนเคยทําดีมาแล้วทําชั่วมาแล้วแล้วก็เพี้ยน เป็ละธรรมที่เป็นอกุศลธรรมธรรมที่เป็นกุศลนี่ที่เป็นความฉลาดใส่ใจลงไปมีความตั้งมั่นลงไปกับสิ่งที่ทําก็สมาธิลึกได้ตอนนี้เราทําอะไรอยู่มาทำอะไรอยู่พระจะทําแบบโยมไหมเอยโยมมาทําแบบพระนะก็แล้วแต่กระดูเอาล่วเรามาฝึกวิชาชีพอะไรหรือที่วัดป่าสุกโตอย่าเงี้ย ก็ขอให้เป็นเรื่องดินเดนตรงๆเลยกรรมฐา น, เ, นเรียนรู้ฝึกหัดกรรมฐานวิชากรรมฐานไปเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเราก็จะได้ชีวิตใหม่จริงๆใช้กายใ้วิจาใช้จิตใจของเราเกิดกุณธรรมจริยธรรมศีลธ ร, รรมจนเป็น วัฒธรรมประเพณีอันดีงามต่างๆเห็นความจริงชัดเจนโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอีกกี่ยุคกี่สมัยก็มีความโลบความกดความหลงเราคงมีวิชาการฝึกหัดวิชากรรมฐานในศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรก็ไม่รู้แต่ทีมกำันที่สุดคือศาสนาคือตัวเราคนมีศาสนาคือคนดี รู้จักกลับมามองตัวเองแต่จะมีความเชื่ออะไรศา ส, สนาพุทธก็เชื่อแบบพุทธะแบบตื่นรู้รู้ความจริงเห็นความจริงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ท้ายสุดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาหายตัวเพราะนั้นศูนย์มีค่านะศูนย์นี่หายตัวนะเป็นตัวเลขที่ไม่มีค่าเลยศูนย์เนี่ย ปกติปกตินะ่ะไม่มีค่าเลยมันจืดสุขทุกเนี่ย ม, มีรสชาติมากคนเราร่อนล่องให้นะชอบเฉยๆก็ไม่ได้อยู่ไม่อยู่สุขวันๆก็ซกซกๆกๆกซ ก, ซกคนก๋ยทยานยากเลยตันหาอยากจะไปผลักมันค่ามันไม่ชอบอยากจะวิ่งก็ไปแล้วก็เอามาชอบมาก มีตะผักใสมีตะไขว่คว้ามันไม่หยุดมันก็มีนะลักษณะของความเป็นปกติที่เราไม่ต้องไปวิ่งวิ่งไล่หรือนะว่าไปไขว่คว้าเอาเข้ามาผักใสออกไปอยู่เฉยเดี๋ยวทุกอย่างก็ตอบด้วยตัวของตัวมันเองหรอกคืออะไรนะเขาคือคนเดียวเขคือคนไม่ดีนะ ก็คือคนพานก็คือบัณฑิตก็คือมิตรมิตรแต่มิตรเตียมมันก็ตอบเองหมดก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกความไม่ใช่ตัวตนก็อตอบเองหมดดูกายมันก็เห็นอย่างนั้นดูจิตดูใจมันก็เห็นอย่างนั้นแม้ร่างสภาพตามต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดดับเกิดดั บ, อดบดของมันเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเราก็เลยสนุกใช้ชีวิตอย่างสนุกไม่ต้อง คอยคิดแบบตีความแบบเพ้อเจร์แบบพังบนไม่คิดแบบเปรียบเทียบอะไรมากมายจนไม่รู้สึกที่ฐานกายเบื้องต้นตรางๆอย่างนั้นรู้สึกที่กายสำคัญจนกระทั่งมันพัฒนาไปพาไปเองไหลไปเอียงไปสนุกดีหลวงพ่เทียนทานาะเอ่ยความรู้สึกแบบนี้ทา้าลองทําดูสิ ไม่เกินสามปีรู้เรื่องแต่ต้องเคลื่อนไหวให้ตลอดนะหลวงพเตียนใช้แรงจูงใจว่าถ้าทําแล้วไม่รู้อะไรเนะี่ยยาวไม่แหล่ะตังค์จะจ่ายเงินเดือนให้แล้วก็ไม่ให้ตกงานก็นแล้วแล้วจะจ่ายให้เดือนนน้งแต่ไหร่สามเดือนกระคูนเข้าไปภายในสามเดือนเท่าที่เคยทราบหลวงพ่อคงเขียนเคยไลฟฟังหรือว่าหลายคน ไม่เคยมีใครได้ตังของหลวงพ่อเทียนเลยพอทำไปแล้วพ่อเทียนเอาใจใส่เอาใจใส่จริงๆยกมือรู้สึกเคลื่อนมือรู้สึกไป แ, แก้อารมณ์ให้ตลอดอย่างเราดูในสื่อในหนังในบางคนอาจจะไม่เคยดูผมอาตมาเคยดูหลวงพ่อเทียนกันเน้นให้แก้อารมณ์ตัวเอง เวลาเดินแล้วมันแน่นเพ่งให้ลืมตามองไปไกลๆตรงน้นบ้างตรงนี้บ้างเดินจะคลายออกไปเวลาเราไปแบิดี่มันเผลอเข้าไปในความรู้สึกมันไม่ได้มีสติระลึกรู้ความรู้สึกตัวมันแยกกันตรงนี้ส่วนใหญ่คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว มันไม่ใช่มีปกติรู้สึกตัวมีสติรล้กรู้ความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะนเวลาทนะเริ่มต้นเนะี่ยเรามักจะปกติดีอยู่เราเคลื่อนมือได้อยู่พอสักพักมันเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่างเนี้ยมันต้องตั้งศูนย์อยู่ตลอดเวลานะเวลาปฏิบัติขนาดหนึ่งก็ตั้งศูนย์ที่หนึ่งบานจึงมีการเคลื่อนและหยุดเคลื่อนและหยุดก็ตั้งศูนยนะ์นั่นแหละ ให้ใจเราปกติสังเกตมันเคลื่อนมันหยุดมันเคลื่อนมันหยุดมันก็เท่ากับทำไปแล้วก็วางไปทําไปแล้วก็วางไปวางกายวางใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัววางก็ไวางสิ่งอื่นวางทุกข์น่ะตายสุดอันนี้ ด, ดีตัวนี้พระเลขสูตไปเก้อไปเติมหลังอะไรก็ตามมันจะมีค่ากัมาทันที เติมหลังเลขหนึ่งยิ่งหลายตัวยิ่งมีค่ามีเงินสักบาทหนึ่งแต่พอเติมศูนย์เมี10บาทมีค่าเลยมีร้อยบาทถ้าเติมไป6หลักเนี่ยรวมกับเลขหนึ่งก็เป็น7หลักหลักล้านมันศูนย์มีค่าทำห้ชีวิตเรามีคุณมีค่าก็ได้ชีวิตนะที่เป็นประโยชน์ ตรงนี้แหละมันก็จะสมกับการได้เกิดมันเป็นมนุษย์เพราะพระศาสนาแล้วก็กำไรชีวิตไหไปสู่สวสไรรค์ไหไปสู่นิพพานในวันนิพพานเนี่ยแน่นอนสวรรค์เนี่ยเราก็รู้สุขจะจะปหานาเพราะละสุขเสียได้มันก็เลยเป็นศูนย์เป็นความว่างมันไม่บวกร้อยบวกพันแล้วไม่ใช่ ทุกข์ก็จะปหานามันเพาะละทุกเสียได้ละตั้งศูนย์สุขก็ตั้งมาปกติทุกข์ก็ตั้งมาปกติแล้วปกติแล้วก็ไม่ประคองนะมันแล้วแต่มันนะความว่างเราไม่ต้องไปประคองมันก็ตอนต้นเวลามีสุขมีปิติไม่ต้องไปประคองดูมันป่าว่าผู้ดูเงี้ย ตรงเนี้ยนะมันก็นจะเป็นปัญญายานไปเลยหลวงพ่อเตียงก็จงบอกว่าถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีตรงนี้เราไม่ต้องให้กายมาบอกคุณรู้ขั้นไหนระดับไหนจริงหรือปลอมเราคือเรานะใจใกาย ใ, าใช้วาจาใช้จิต ใ, ใจของเราเป็นผู้ใช้มันไม่ต้องให้มันใช้เราอย่างเนี้ยนะขาพูดให้ฟังตอน เ, เช้านี้กลาบบราพร้อมกัน